ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพวติญาณในวันนี้คงเป็นการพูดถึงเรื่องบริหารจิตต่อไปสัญญาสิบซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นในข้อที่เก้าได้ทรงแสดงเรื่องอนาปานาสติคือการตั้งสติ ตาม น, นลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอนาปานสติกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่ทรงยกย่องสนเสริญไว้โดยนิยะต่างๆเป็นอันมากทนนี้เป็นเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงใช้ก่อนการศัสรุ และเป็นกรรมฐานที่สาธารณะทั่วไปแก่คนจริตทั้งหลายทั้งเป็นกรรมฐานซึ่งมีนิมิตไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนซึ่งปฏิบัตินั้นจึงทรงสแสดงอนิสง์ของอนาปานสติไว้ว่าเมื่อบุคคล จเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมก่อให้เกิดความสงบในด้านจิตใจมีจิตใจประนีตขึ้นมีจิตใจยือกเย็นและความเข้มแข็งทางจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอนาปานตินั้น สามารถที่จะสลัดอกุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตด้วยความนึกคิดหรือว่าแรงกระทบจากข้างนอกให้ตกไปจากจิตในเวลารวดเร็วหรือไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปสู่จิตได้ต้นนองเดียวกับน้ำที่ตกลงปันบนใบบอลบนใบบัวก็จะกลิ้งกลับลงไป ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตในระดับหนึ่งและบางครั้งก็ส่งแสดงในรูปเป็นบันไดที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เดินไปได้โดยลำดับเป็นส่งแสดงว่า ธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรมะสประการให้บังเกิดขึ้นธรรมะสประการที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรมะเประการให้บังเกิดขึ้นธรรม7ประการที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรมะสองประการให้บังเกิดขึ้นและทรงแสดงว่าธรรมะหนึ่งประการนั้นคืออนาปานสติ การตั้งสติตามรู้ลมหายใจเข้าและวลมหายใจออกเมื่อรมกระทำให้มากแล้วจะสร้างธรรมะสีประการขึ้นภายในใจคือสติปัฏฐานทั้งสีและจากสติปัฏฐานทั้งสีนี้เองก็จะเข้าไปสู่พวชงทั้งเจ็ประการและเมื่อก็ถึงพวชงเจ็ดประการก็เข้าถึงธรรมะสองประการได้แก่วิชาและวิมุต ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางศาสนาในฐานะที่อนาปานาสติเป็นกรรมฐานประเภทสมถกรรมฐานเน้นไปที่การทำใจให้สงบเป็นประการสำคัญท่านยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมนูปนิชจาญคือการเพ่งดูอารมณ์ ในกรณีนี้ก็คือการตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ท่านแสดงสิ่งที่เรียกว่าอุปการธรรมคำว่าอุปการธรรมนั้นทานองคล้ายๆกับความเจริญเติเตบโตของบุคคลแม้เราจะพูดว่าอัตติอัตโนโนาโถตนเป็นสิฟึกของตอนก็าตามแต่ก็จริงแล้วก็ต้องมี บุคคลที่เป็นบุปการีทำหน้าที่อุปการะตั้งแต่มารดาบิดาเป็นต้นมาเรื่อย เ, เป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนให้บุคคลนั้นสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้โดยลำดั บ, ดบในด้านจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประการแรกท่านสอนให้ตัดความกังวลภายในใจ ในบาลีเองท่านแสดงไว้ถึงสิประเภทด้วยกันแต่ก็เน้นไปในด้านความกังวลซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของนักบวดสำหรับชาวบ้านหรือสาธุชนทั่ ว, วไปนั้น แ, แม้แต่ผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนับว่าปริพลดมีอะไรบ้างหรือเครื่องกังวลใจมีอะไรบ้าง เป็นการแสวงหาความเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบในด้านจิตใจถือว่าเป็นปริพ o o t คือเรื่องกังวลใจทั้งนั้นจอาจจะเป็นเนี่ยเนียวนึกถึงเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอดีตก็ได้นะคุ๊บก็ได้แม้แต่ปัจจุบันก็ได้ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อความสงบของใจ การเนียวนึกถึงสิ่งนั้นหรือตัวของสิ่งนั้นเองถือว่าเป็นเครื่องขังบลในทางใจดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติก็ไม่จะเป็นจะต้องไปรู้รายละเอียดแต่ตั้งสติระลึกอยู่เฉพาะอารมณ์ซึ่งกำหนดระลึกและถ้าอารมณ์อย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาซึ่งไม่ใช่ ตัวลมหายใจเข้าออกที่กำลระลึกจุงก็พึงเข้าใจว่านั้นเป็นอุปสรรคของความสงบเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าปริโพอดคือเครื่องกังวลใจแม้เกิดในขณะบําเพ็ญเพียรอยู่ก็ต้องกระจัดออกไปให้ได้ถ้ากจัดไม่ได้ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ตามปกติของจิตนั้นจะทําหน้าที่ระลึก รู้อารมณ์ในในขณะเดียวเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากขณะของจิตเป็นไปอย่างรวดเร็วดูแลใกล้ๆจะระ่ึกได้หลายๆอย่างแต่แท้จริงแล้วเมื่อจิตไปรับรู้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็หยอนไปแต่ใจยังมีเครื่องกังวลอยู่จิตก็วิ่งระหว่างลมหายใจเข้าออกกับเรื่องกังวล เพื่อสร้างปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งท่านสอนให้สแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสัปปายะจำแนกแสดงออกไปพิสดารมากจะบางแห่งว่าไว้ทั้งเจ็ดแห่งบางแห่งว่าทั้งเจ็ดอย่างบางแห่งว่าไว้เพียงสี่ห้าอย่างทำไมเพื่อดูเรื่องสถานที่คาว่าสัปปายะคือให้ความสบายให้ความสบายแก่ตนเอง ในสถานที่จะต้องให้ความสบายคือไม่มีเสียงรบกวนเพราะสมาธิมีเสียงเป็นขาาสึกอย่างแรงเนื่องจากในขณะนั้นถ้าเป็นการเจริญอนาปานาสติกรรมฐา น, น, นก็หลับตาหลัตาก็ไม่เห็นรูปเป็นการตัดข่าสึกคือรูปออกไปได้ยังมีปณหาอยู่ที่หูกระใจ ส่วนประสาทสัมผัสอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ากลิ่นรถสัมผัสนั้นจะต้องอาศัยกระทบใกล้เต่ตาหูใจกระทบได้ไกลเมื่อบุคคลมาหลับตาเสียมันก็ยังเหลือแต่หูกับใจแต่นั้นเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะที่ใจประสมาตครมฐานมุ่งสงบนิวรณเป็นหลัก และนั้นเสียงจึงต้องไม่รบกวนเพอทําไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นการรบศึกหลายด้านจะต่อสู้ได้ยากท่านจึงให้ได้สถานที่ที่เรียกว่ากายวิเวก ค, คือกายไปอยู่ในที่สงบเรียกว่าสถานที่ที่เป็นสัปปายะะอาหารสัปปายะคือได้อาหารเป็นที่สบายถ้ามองจากหลัก ฐานการปฏิบัติบางท่านในอดีตบางคนมันก็เกี่ยวกับอาหารที่ท่านชอบด้วยแล้วตัดความกังวลในเรื่องอาหารเหล่านั้นออกไปได้แต่โดยหลักทั่วไปก็คือว่าอาหารที่รับประทานจะต้องไม่มากเกินไปกับไม่น้อยเกินไปประการปฏิบัติที่มุ่งกระจิดนิวรณ์นั้นถ้าอาหารมากเกินไป ใจก็จะเข้าสู่อำนาจของถีนมิธะหรือความง่วงเอาเหานอนซึ่งเกิดขึ้นจากการเมาอาหารเมาอาหารเป็นเหตุอย่างหนึ่ ง, งที่ให้เกิดนิวรณ์ข้อถีนมิธะแต่ถ้าอาหารน้อยเกินไปร่างกายก็จะถูกเบทนาคือความอยู่เสียดแทงประสบความทุกข์วันในที่ใจจะสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะไปกังวลอยู่กับความเจ็บปวด จึงเกิดขึ้นจากความหิวที่เรียกว่าทุกขเวทนาความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้การต่อไปก็คือเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทําเตนให้เป็นค่าสึกต่อความสงบระหว่างกันอะไรกันแม้บางครั้งบางโอกาส ตนไม่สามารถทำความสงบไปเกิดขึ้นได้ก็ะอยาเป็นอันตรายต่อความสงบของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกันและอุตส่าห์ปายะคืออากาศเป็นที่สบายเรื่องอากาศเป็นที่สบายนั้นก็ขึ้นอยู่กับลังเนื้อชอบลังจาบางคนอากาศหนาวเป็นที่สบายบางคนอบอุ่นเป็นที่สบายบางคนบางคนร้อนเป็นที่สบาย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของบุคคลจะตั้งก็สอนให้เตือกให้สบายอิรยาบทเป็นที่สบายอิรยาบทนั่นก็คือยืนเดินนั่งนอนข้อ น, นี้เพิงสังเกตว่ากรรมฐานานั้นท่านใช้ทุกอิรยาบทเดี๋ยวบางทีเราก็ติดไปว่าต้องใช้อิรยาบทนั่งที่จริงไม่ใช้ได้ทุกอิรยาบท แล้วพระรีเจ้าทั้งหลายที่ท่านบรรลุท่านก็บรรลุกันทุกิริยาบทบองค์ก็ยืนบองค์ก็นั่งบองค์ก็นอนบองค์ก็เดินบรรลุธรรมะได้ด้วยกันการกําหนดว่าอิริยาบถเช่นไรเป็นที่สบายแก่ตนหรือไม่สบายแก่ตนท่านบอกให้ทดสอบทุกอิริยาบถบางคนเดินจงกรมแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้เร็ว ก็ใช้จงกรมเป็นหลักบางคนอิริยาบถนั่งเมื่อนั่งแล้วสมาธิเกิดขึ้นในเร็วก็ใช้นั่งเป็นหลักแต่บางคนอาจจะนอนแต่นอนส่วนมากจะทำได้น้อยเพราะว่ามักจะตกไปในด้านของทีนมิดะคือความกวงเหงาห้าวนอนอิริยาบถยืน ก็ทำได้มากก็ทำได้ทั้งส่วนของอนาปานสติทำได้ทั้งส่วนของกรรมฐาน้าอื่นนั้นเวลาปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไปท่านจึงใช้หมดทุกอิเดยาบทเพราะการสำคัญจริงๆก็อยู่ที่สติซึ่งไม่พลากจากอารมณ์เราจะอยู่อิเดียบทใดก็ได้แต่สติไม่พรากจากอารมณ์ความสงบมันก็เกิดขึ้ น, นอิเดียบทนั้น และประการต่อไปก็คือเรื่องของธรรมะที่เรียกว่าสัพพายะก็คืออารมณ์ที่กาหนดระลึกด้วยและบางครั้งก็หมายถึงกถาสัพพายะซึ่งข้อนนี้เมื่อเรามองกลับไปที่ปัจจัยให้เกิดนิวรณ์กับปัจจัยสงบนิวรณมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งทุกข้อท่านเรียกว่าสัพพายะกถาคือเรื่องที่นำมาสนทนา ได้ยินได้ฟังจะต้องเป็นเรื่องที่ฟังและสบายใจเกิยฉันท่าอุตสาหะขึ้นภายในใจมีความกระตือรือรน้นที่จะลงมือศึกษาและประพฤติปฏิบัติดังนั้นในชั้นของกรรมฐานเราถือว่าเป็นระดับธรรมปฏิบัติชั้นจิตสิกขา ต่จึงเน้นไปในเรื่องที่คุยกันจะต้องมีลักษณะที่เพิ่มพูนศรัทธาภาษาะเพื่อน้อมนำจิตเข้าสู่ความส ม, มุบเรื่องที่นำมาพูดท่านจาแนกว่าเป็นสิบอย่างคือมักน้อยสันโดษชอบส ง, งัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ ประตุ้นให้ปลารคความเพี่ยนผู้เรื่องศีลผู้เรื่องสมาธิผู้เรื่องปัญญาผู้เรื่องจิตที่หลุดพ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เกิดความรู้ความเห็นในสภาวะของจิตที่หลุดพ้นต่อการแต่ละอย่างนั้นจะกอให้เกิดความลีเกเล่นการงดเว้นอารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบ เรื่องที่นำมาพูดอาจจะมีนิทานบุคคลเรื่องราวเข้ามาประกอบก็ทำให้ได้แบบอย่างเกิดศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านเหล่านั้นก็ปรารถนาจะเดินตามท่านเหล่านั้นฉันทาอุสาหะในกุศลธรรมก็จะบังเกิดขึ้นคนนี้ท่านเรียกว่ากาถาส ป, ปายะหรือธรรมส ป, ปายะเขามาจากสองทาง ทั้งหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คุยคุยกันหรือว่าการได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นจากว่าพูดในทานองตรงกันข้ามมันจะกระตุ้นราคาโทสะโมหะขึ้นมานิวรณต้องการสงบแก่มันก็สงบไม่ได้เพราะก่อนจะนั่งสมาธิกรรมฐานนั้นไปเกิดเพิ่มนิวรณเข้าบางทีนั่งแล้ว แทนที่จะสงบกับภุ้งซ่านมากยิ่งขึ้นเพราะเอาสัญญาคือความจำก่อนที่จะนั่งสมาธิมาตรึกนึกต่อที่เรียกว่ามาวิตกวิจารต์อที่นี้เมื่อได้สิ่งเหล่านี้ประสมควรแล้วจก็สอนให้ตามหลักปฏิบัติที่ทราบกันคือนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำารงสติไว้เฉพาะหน้าที่จริงรยบทนั่ง ที่ทรงกำหนดโดยนยัยนี้ถือว่าเป็นอริยบทหลักในการจเจริญอาณาปานสติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงตัวอย่างนี้เสมอไปก็สามารถใช้อริยบททั้งสี่ดังกล่าวแล้วในการนั่งคูบันลังนั้นทั้งกำหนดตัวแบบพระพุทธรูปปางสมาธิหรือสมาธิเพชร ไ้แก่เอาปลายเท้ามาไข้กั น, นเรียกว่าสมาธิเพชรและการนั่งในลักษณะนั้นจะมีการทรงตัวดีในตอนใหม่ๆอาจจะก็ออิงอะไรอยู่บ้างเพื่อไม่ให้เป็นการก้าวพูดพลาดจังเกินไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องนั่งให้มีการทรงตัวได้ โดยไม่เหยอียดจนเกินไปได้ไม่ก้มเกินไปเพราะถ้าเหเอียดไปก็จะรู้สึกปวดที่ด้านหลังใจก็จะไปวิ่งสนใจอยู่ที่ปวดไม่สนใจที่ลมแต่ถ้ากู้เกินไปลมจะเดินไม่สะดวกการตั้งสติกำหนด ล, ลึกลมดูลมก็จะเห็นไม่ได้ชัดในขั้นตอนของการปฏิบัติ เราจะมองเฉพาะชั้นบาลีที่เป็นพระพุทธวจนะจริงๆรูปย่าทรงแสดงแนวเดียวทุกแข่งเหมือนกันเราจะพบในพระสูตรใดก็ตามพระพุทธกนาปานสติจะใช้คําเหมือนกันทุกแข่งโดยทรงสอนว่าให้มีสติหายใจเข้าออกคือหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าจาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นนี้ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกโดยที่แบ่งก็เป็นสองฝ่ายก็ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของบุคคลคือคนบางคนจะหายใจเร็วบางคนจะหายใจช้า จะช้าเรเร็วก็ตามก็ให้ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจแต่ในตอนตน้นก็ให้ดูที่จุดซึ่งลมกระทบอาจจะที่ปลายจ ม, มูกช่องจ ม, มูกหรือริมที่ปากเบื้องบนในตอนต้นก็ไม่ต้องไปตามลมก่อนให้ดูที่จุดซึ่งลมกระทบและสําหรับท่านที่ปฏิบัติไปใหม่ ไม่คุ้นเคยกับการกำหนดระลึกรู้ลมถ้าในหายใจลึกๆทั้งเข้าทั้งหย่าทั้งออกหายใจยาวๆทั้งเข้าทั้งออกก็ควรจะใช้หลายครั้งแล้วเมื่อเห็นว่าสติสามารถเกาะ อ, อยู่ที่ลมได้ก็เริ่มหายใจโดยปกติธรรมาดา ในตอนที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงนั้นวาสนาบา ร, รมีของคนแก่กล้ามแสดงวิธีเดียวก็ปฏิบัติกันได้แต่คนในยุคหลังวาสนาบา ร, รมีที่สั่งสมมาในด้านนี้ก็มีแตกต่างกันมากพระบราณอาจารย์ท่านจึงหาวิธีการต่างๆที่จะเรียกว่าเป็นอุบายวิธี ที่จะนำจิตใจของบุคคลเข้าสู่ความสงบวิธีเหล่านี้เพิ่งเข้าใจว่ายังไม่ถึงกระทำให้สงบจริงหรอกแต่ว่าเราอาศัยในเบื้องต้นตำนองคล้ายๆกับว่าเราเดินยังไม่ได้ถนัดก็มีการเกาะอิงคนอื่นไปก่อนแล้วพอดีก็ทำให้เดินได้ ในการตั้งสติระลึกดูลมหายใจในตอนต้นๆบางทีท่านก็ใช้ในแนวของการนับการนับที่จริงก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งคือต้องการฝึกสติสัมปชัญญะความเพียรในลักษณะที่ต่อเนื่องคือท่านไม่ต้องการให้สติมันขาดเพราะสติขาด นัยจักาดในชีวิตประจำวันของเราคือทำอะไรก็ตามมันสังเกตว่าถ้าสติขาดสักขณะหนึ่งก็ ม, มีปัญหาเช่นขับรถสติขาดตักอาหารสติขาดเขียนหนังสือสติขาดือทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกนกะสติมันเกิดขาดไปแล้วเกิดอันตรายได้แต่นั้นดันจึงฝึกให้มีสติสัมปชัญญะความเพียรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง จึงฝึกปลือในชั้นของการนับอย่างที่ทราบกันคือนับเป็นคู่ๆไปก่อนหายใจเข้านับหน่งหายใจออกนับหนึ่งเป็นคู่ๆไปถึงหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงหกหกตั้งต้นใหม่หนหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดตั้งต้นใหม่หนหนึ่งถึงแปดตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงเก้าเก้าตั้งต้นใหม่หนหนึ่งถึงสิบสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าเนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าฝึกปลือตนเอง ผู้ปฏิบัติจะต้องสามารถกำราบตนเองได้เช่นในขณะที่ปฏิบัตินั่เกิดนับพลาดนับพลาดก็นับหนึ่งใหม่มาเรื่อยเป็นการดัดสันดานตัวเองเจนว่าชุดหนึ่งถึงห้าห้านี่ยหนึ่งนึ่งถึง้าห้านี่มันก็พลาดแล้วก็ไม่ต้องขึ้นหกปกมันนับชุดเนี้ยอย่าให้พลาดหรือบางครั้งพลาดในแต่ละชุด เกณฑ์าตในชุดใดก็ไปตั้งต้นใหม่เลยนี่คือตอนแรกๆเพราะว่าตามปกติแล้วระดับของกรรมฐานเนี่ยเป็นการตรวจสอบตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตนแก้ปัญหาในด้านจิตใจของตนด้วยตนเองดังนั้นจเข้าข้างตัวเองหรือหลงตัวเองในการปฏิบัติที่ไม่ได้จะถือว่าไม่เป็นไร ปล่อยไปก่อนและในที่สุดมันจะตัวความเพียรจะหย่อนตัวความเพียรหย่อนสติสมัมปชัญญะปัะจุจนทร์แต่พวกนี้หย่อนสมาธิก็เกิดไม่ได้มีสมนน์ต่างบาลีประการหนึ่งท่านใช้คําว่าปรึกษากับกรัชกายกรัชกายก็คือกายคนที่กายที่มันเปื้อนโดยทุลี สิ่งที่ปฏิกูลต่างๆํงงำนวนบาลีนันเรียกว่ากะรจชกายวบางทีก็ปรึกษากับกะรจชกายหรือถามกรจชกายคือถามตัวเองเช่นสมมติว่าอาจจะใช้บทภาวนาพุทโธทหรืออะไรก็ตามแต่ใจมันไปคิดเรื่องออาจจะตั้งใจถามตนเองขึ้นมาว่านี่เธอกาลังทำอะไร เตยกำลังภาวนาวพุโทโธหรือเตยกำลังคิดถึงบ้านคิดถึงการงานคิดถึงเรื่องอื่นนอกจากบทพระพุทธโธหรือในกรณีของการนับก็เหมือนกันบางครั้งจึงมีการแต่งถ้อยคำํำซึ่งถือว่าเป็นอุบายบางทีเช่นว่าท่านบางบางท่าน ต่างๆนี้ท่านจเจริญอานาปานสติแต่จเจริญไปจเจริญมามันเกิดกลัวผีขึ้นม า, มาเกิดกลัวตายขึ้นมาท่านไม่เอาพุโทโธเลยเอาตายแน่ตายแน่ภาวนามันอยู่อย่างงั้นเราก็ตายแน่ผีบางคนตายแล้วเราก็กำลังจะตายเพราะงั้นก็ไม่น่าอะไรจะกลัวกันภาวนาที่จดหายกลัวแล้วก็ไปนับทีพุโทโธกันใหม่หรือว่านับลมหายใจเข้าออกกันไป เหลนี้เป็นอุบายยวิธีที่จะฝึกปลือตัวเองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของจิตใจด้วยตนของตนเองและด้วยการปฏิบัติไปในยะนี้เองจิตใจก็จะมีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปปัฏฐานในวันนี้ขอหยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี